พระพุทธเจ้าท่านทนสอนพวกเรานะท่านบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็มีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทงนั้นอย่างกายก็ดีนะมีหายใจเข้านะก็ดับไปแล้วก็หายใจออกแล้วก็ดับไปแล้วก็หายใจเข้าใหม่ holes. มือที่เคลื่อนก็เหมือนกันเคลื่อนเข้าแล้วก็ดับไปแล้วก็เคลื่อนออกใหม่เปลี <c> ่ย <oughs> นท่าไปเรื่อย ที่ดับลงก็ดับไปแล้วก็ลืมขึ้นมาใหม่อาการเกิดขึ้นของกายเนี่ยการเดินก็เหมือนกันเราเดินแล้วก็ดับไปเป็นการเหยียบเป็นการยกใหม่เปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆ อ, อาการของรูปเนี่ยแสดงความเปลี่ยนแปลงให้เห็นเป็นแบบนั้น แม้แต่ความสุขก็เหมือนกันนะความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปดับไปนะกายจะเป็นความเป็นปกติบ้างหรือบาครั้งก็เปลี่ยนเป็นความทุกขนะ์ความทุกข์เกิดขึ้นมาในใจนะแต่ความทุกข์ก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็ดับไปนะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์หรือว่าเฉยๆนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดเลย สัญญาที่เราจําเรื่องราวต่างๆนะเช่นเราจําได้ว่านี้เรียกว่ารูปจําได้อันนี้เรียกว่าอคนนั้นคนนี้นะจําได้ว่าอาการนี้เรียกว่าอะไรความรู้สึกตรง น, นี้เรียกว่าอะไรนะที่เป็นสมมุติสมมุติที่ทางโลกเราได้เรียนรู้นะมันจําขึ้นมามันโผล่ขึ้นมามันคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป พอเราพอเรารู้แล้วก็ดับไปแม้แต่ความคิดเแม้แต่ความคิดเองก็เหมือนกันความคิดเกิดขึ้นกับจิตมันเกิดขึ้นพอรู้ทันแล้วมันก็ดับไปหรือแม้แต่เราไม่รู้ทันมันก็ จ, จะคงไปเรื่องอื่นต่อก็คือมันมันสร้างเรื่องใหม่ต่อขึ้นมาก็ความคิดเมื่อสักครู่นี้มันก็ดับไปแล้วมันก็เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาแทนที่ ความโกรธเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันนะจากความเป็นหงุดจากความหงุดหงิดนะนะมันก็ดับไปกลายเป็นความไม่พอใจแรงขึ้นมันก็ดับไปกลายเป็นความโกรธขึ้นมาก็มากขึ้นแล้วก็แปลรูปไปนะกลายเป็นความพยาบาทอาคาดยนะนะมันก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเรื่อยนะ แม้แต่อารมณ์ในลักษณะเดิมมันก็ยังเปลี่ยนเปลี่ยนท่าทีของมันหรือบางครั้งมันก็เปลี่ยนในคนละด้านกันเลยนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นพอรู้ทันมันก็ดับเป็นความเป็นปกตินะความรักเกิดขึ้นพอรู้ทันมันก็กลายเป็นความเป็นปกติความคิดนะบางครั้งก็คิดดีนะบางครั้งก็คิดไม่ดี นะบางครั้งก็คิดไปเรื่อยเปื่อยบางครั้งก็คิดมีประโยชน์มีคุณค่ามีเหตุมีผลเอาเอาเอาแน่ไม่ได้เลยความคิดนะเราว่านี่ความคิดของเราแต่เราก็บังคับความคิดไม่ได้นะอันนี้เราบอกว่าความรู้สึกของเราแต่เราก็บังคับให้มันรู้สึกสุขอนะนานๆไม่ได้นะ อันนี้เราบอกว่าความทุกข์ของเราเราก็ไม่สามารถเอาความทุกข์ออกจากตัวเราได้เพราะอะไรเพราะสิ่งต่างเนี่ยมันแสดงมันแสดงธรรมชาติมันแสดงธรรมชาติทีรร่เราเห็นว่ามันมีา ก, การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราเจริญสติเพื่อให้เข้าใจสิ่งตรงนี้แหล ะ, ะดูไปเนะี่ยที่มีการเคลื่อนมีการหยุดก็เ พ, เพราะว่าต้องการที่เห็น รูปที่เคลื่อนก็ดับไปเป็นรูปที่หยุดนะแล้วก็กลายเป็นรูปที่เคลื่อนใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็หยุดใหม่ที่หลวงพ่อเทียนธรรมยามเน้นว่าให้รู้เป็นครั้งรู้เป็นจังหวะก็พะเนะี่ยให้เห็นเห็นความความเกิดดับของรูปทีละขณะนะหรือที่จริงก็แม้แต่ตัวรู้เองมันก็เกิดก็ดับเมื่อเรารูว่ารูปเคลื่อนตัวรู้นั้นมันก็ดับไป เมื่อรูปมันแล้วเรารู้ว่ารูปมันหยุดนะตัวรู้นักก่กรู้ใหมนะ่เมื่อมันเคลื่อนใหม่ตัวรู้นักก่กิดขึ้นใหม่แม้แต่รูปเองก็เกิดก็ดับแม้แต่ตัวรู้เองนะก็เกิดก็ดับนะอันนี้ก็คือทั้งรูปหรือบัานามเนี่ยมันแค่เป็นแค่ปรากฏการณ์หนึ่งที่ที่แสดงให้เราเห็นนะแต่บางทีมันก็เร็วเร็วมันต่อเนื่องกันอย่างมาก เราฝึกเพื่ออะไรให้สติเราเร็วกว่านั้นเห็นเรียกว่าเห็นช่องว่างของการเกิดการดับนี่นแหละนะถ้าเราเห็นทันมันจะเห็นเหมือนโอ้ที่จริงเราเห็นเป็นเรื่องเป็นราวนะเห็นความเห็นมันต่อเนื่องยาวไปเลยแต่พอสติเราเห็นนี่มันจะมันจะคล้ายๆภาพภาพตรงนี้มันจะโดนโดนคัดไปชั่วคราวนะมันจะเห็นชัดขึ้นมานะ เป็นชัดในในความว่างนะแม้ในความโกรธนะมันก uh ็ย huh. ังมีความไม่โกรธอยู่ในนั้นอยู่นะมันไม่ใช่โกรธไปทั้งหมดนะแม้ในอาการที่จิตมันไหวแต่มันก็ยังมีจิตที่มันนิ่งอยู่ในนั้นก็มีนะแม้ในความทุกข์เองมันก็ยังมีความไม่ทุกข์อยู่ในนั้นนะจิตมันจิตมันจะจับตรงนี้ได้เพราะจิตมันจับตรงนี้ได้มันจะรู้เลยว่าไอ้ที่มันทุกข์เนี่ยมันเป็นของ นของชั่วคราวหรือว่าของที่ปรุงแต่งมาชั่วขณะไอ้ที่มันโกรธก็เหมือนกันมันก็เป็นแค่ความคิดความหลงไปชั่วคราวเป็นชั่วขณะแม้แต่ความสุขความปิตินะความพอใจก็เหมือนกันมันก็เกิดขึ้นชั่วคราวเฉลี่หลักมันก็แล้วก็ดับไปนสติเนี่ยเราฝึกให้มันเห็นเร็วตรงนี้แหละเห็นอย่างรวดเร็วตรงนี้น เรามีฐานในการสร้างความรู้สึกตัวนะไอ้ฐานที่สร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นชัดพอพอสิ่งแปลกปลอมมันเกิดขึ้นมามันจะทําให้เราเห็นชัดว่าเอออันเนี้ยสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นกับจิตแล้วมันจะเห็นเลยเห็นชัดเจนนะเนะี่ยวันนั้นการพยายามรู้สึกตัวอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เรามีมีฐานนะบางทีหลงพ่อคาเขียนก็เปรียบเหมือนคล้ายเหมือนเป็นบังเกอร์ เวลาศัตรูเขาจะมายิงนะเรามีฐานในการหลบนะพอเราได้โอกาสแเ้าก็ออกไปยิงเขาบ้างนะจิตก็เหมือนกันบางทีเราจะไปสู้กับเขาตลอดนะก็ไม่ไหวเราก็ต้องมีฐานในการอยู่ก็คือการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวหรือการเรียนรู้กายที่เคลื่อนหรือกายที่หยุดนี้เป็นฐานให้เราอยู่ แต่ศัตรูที่แท้จริงคือใจนะคือกิลเลสที่มันเกิดขึ้นในใจคือความคิดหรืออารมณ์เมื่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันมันรู้ทันมันจัเอมันนะหรือว่าตัดมันที่ตรงนั้นอันนี้แหะคือคือตัวหลักที่ที่เราเราต้องฝึกบ่อยๆนะแต่เราจะไปเฝ้าจ้องดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะ บางครั้งบางคนอยากจะรู้ทันรู้ทันกิเลสเร็วๆนะรู้ทันความคิดเร็วๆบางทีเราก็พลาดไปเผลอไปเผลอจ้องจ้องดูเขาไปคอยดูว่าเมื่อไร่มันจะคิดนะไปคอยดูเมื่อไหร่มันจะเผลอนะนะมันก็กลายเป็นการเพ่งจ้องเหมือนกันนะอย่างตมาเองก็ก็เคยลงตรงนี้บางทีพอเรา พอเราพอจะเริ่มเห็นความคิดเห็นความรู้สึกบางทีเราก็อยากจะเห็นบ่อยๆอยากจะรู้เร็วๆนะอยากจะดับเร็วๆนะเราก็ไม่ค่อยสนใจกายที่เคลื่อนไหลวละ่าสติมันก็คอยจะไปคอยจ้องดูดูความคิดดูอารมณ์น ะ, ะแต่ตอนตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเราไปเผลอไปไปเช่งไปจ้องไปคอยดับดูเราก็คิดว่าเราดูได้เร็วนะ แต่แท้จริงแล้วจิต บ, บางทีมันก็ถลำไปดูมันตั้งท่าที่จะดูว่าเมื่อไหร่มันคิดเราจะตะปบมันทันทีคล้ายๆเหมือนกับแมวเนะมันคอยจ้องอยู่หน้าดูที่หนูจะอยู่เองนะจ้องอยู่แบบนั้นแหละนะหนูออกมาเมื่ อ, อไหร่เนี่ยตะปบทันทีนแรกๆก็มีกําลังตะปบนะแต่ทําไปทํามาก็กลายเป็นเครียดก็อะไ เราเราอยากจะรู้เร็วๆเราจะอยากจะรู้แบบตัดขาดเร็วๆนะมันก็กลายเป็นเครียดนะนะบางทีก็กลายเป็นการประคองนะบางครั้งตอนที่มันไม่คิดบางทีเราก็อยากจะประคองไว้ให้มันสงบแบบนี้ให้มันให้มันว่างๆแบบนี้นะแต่ใช่จริงแล้วไอ้พวกนี้ยให้สติมันเกิดขึ้นเองแบบเป็นธรรมชาตินะแเป็นธรรมชาตินะ เรารู้กายที่เคลื่อนไหวนี่แหละเป็นฐานในการอยู่พออารมณ์หรือความคิดมันเกิดขึ้นมาสติมันจะเข้าไปรู้ของมันเองเนี่ยไม่ต้องไปคอยจ้องดูมันนะแต่การรู้กายก็ต้องรู้แบบอย่าไปรู้แบบแรงรู้ชัดจินไปถ้าเรารู้กายแบบแรงหรือชัดเกินไปส่วนที่เป็นนานมธรรมมันก็จิตมันจะมันจะไม่ว่องไวในการที่ไปรู้ตรงนั้นเพราะว่าบางที พอเรารู้กายมันชัดมากนะมันก็จิตมันก็ไม่ไปรู้อย่างอื่นนะมันก็จะกายพลิกนะพีิกกายเป็นสมถะได้นะบางทีวันทั้งวันรู้สึกแทบจะไม่คิดเลยหรือว่าไม่ค่อยมีอารมณ์อย่างอื่นเลยเพราะอะไรบางทีอารมณ์เรานิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวมากเกินไปนะจิตมันนิ่งมันแช่มันประคองสภาวะที่รู้กายตรเนี้มากเกินไปมันก็ กลายเป็นกายเป็นสมถะไดนะ้อันนี้เราก็ต้องต้องระวังบางทีการรู้กายนี่เหมือนเป็นเป็นฐานนะเป็นเครื่องอยู่แต่อย่าไปเกาะมันมากเกินไปนะอย่าไปพยายามให้มันเด่นดวงตลอดนะให้เป็นเพียงแค่เครื่องอยู่แต่เครื่องอยู่ของเราเพื่อที่จะรู้เท่าทันความคิดหรือรู้เท่าทันจิตนะแต่การจะรู้ทันความคิดหรือรู้ทันจิตก็ไม่ใช่ไปคอย คอยอยากจะรู้นะมันเกิดขึ้นมาบางครั้งมันไม่ชัดเราก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะแต่บางครั้งที่มันชัดหรือมันแรงขึ้นมามันก็จะรู้ของมันเองอันนี้คือเสิ่งที่เราคอยดูอยู่เสมอให้ฐานตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะบางทีเราปฏิบัติไดแแ้แกล้มมันก็รู้สึกเหมือนไม่ใอ่รู้อะไรนะมันยังไม่เกิดปัญญาแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการสร้างฐานไว้ก่อนนะ เหมือนเราเหมือนเราจะก่อสร้างอะไรต่างๆนะ่ะบางทีมันก็ต้องถมดินก่อนนะถมดินอัดให้ดินมันแน่นก่อนนะก่อนที่จะฝังเสาเข็มก่อนที่จะทําฐานฐานรากนะถ้าดินของเราไม่แน่นนะนะโอกาสที่ตึกหรือว่าบ้านมันก็จะทรุดขึ้นมาได้บางทีเราก็ต้องถมความรู้สึกตัวเข้าไปจากที่ไม่ต้องรู้อะไรไม่เกิดปัญญา ไม่เกิดความเข้าใจไม่ได้เห็นไตรักไม่ได้เห็นอาการเกิดดับอะไรนี่แหละแต่ความรู้สึกตัวมันจะค่อยๆถมเข้าไปให้ให้จิตมันมั่นคงนะมาแรกๆส่วนใหญ่มันยังไม่เป็นปัญญาดับนะมันเป็นเหมือนจิตมันมั่นคงก็คือจิตมันเะป็นสมาธินั่นแหละนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นนะเพราะจิตของเราส่วนใหญ่มันจะวอกแวกนะบลอกแวกไปกับความคิดฟุ้งซ่านนะ สารพัดเรื่องราวพอรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะมั่นคงขึ้นนะจิตมันจะไม่ค่อยว็อกแวดนะหรือหรือว่าไหวไปแป๊บหนึ่งมันก็จะรู้นะมันก็จะไม่ไม่หวั่นไหวมากมันคล้ายๆเราเราเอาไม้เอาไม้สักท่อนหนึ่งเน่ะไปปักลงในในเรนในต้มนะลงในน้ําเนี่ยเราปักไปนแรกๆเนี่ยมัน มันโยกเยกมันยังวั่นแง่นคอนแทนนะมันพร้อมที่จะไหลไปตามน้ำหรือพร้อมที่จะล้มเองหน้าที่เราคือต้องปักให้มันลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยเมื่อรากมันลึกเมื่อไม้ลงไปลึกมากเท่าใดเนี่ยมันก็จะไม่มั่นมันก็จะไม่ค่อยวันไหวนะก็ไหวไปบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ล้มนะไม่ไหลไปตามน้ําจิตของเราที่มีความรู้สึกตัวบ่อยๆนั่นมันก็จะมั่นคงแบบนั้นนแหละมีอะไรกระทบ มันก็รู้นะหรือมันอาจจะไหวไปบ้างแต่ไหวไปแล้วมันเหมือนคล้ายๆมันดิบกลับมาเหมือนตุ๊กตาล้มลุกันนะมันมีมันมีศูนย์มันมีหลักของมันเยอะมันไหลไปกับความชอบบ้างมันก็กลับมาเป็นปกติได้นไหลเพราะความหงุดหงิดบ้างมันก็กลับมาเป็นปกติได้มันก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่กระดิบบางคนที่หงุดหงิดน่ะก็จะไหลไปทางหงุดหงิดมากนะ หมูห่จิดตัวเองบ้างหมูห่จิตคนอื่นบ้างบางคนรักสวยรักงามรักความสุขนะก็มักจะไหลมองไปมองโลกในแง่ดีอะไรก็มีความสุขยิ้มย้ํแจ่มใสแต่มันก็หลงเพลินแต่แบบนั้นก็มีนะทั้งก็ไหลไปตามเจดิชในใิสัยของแต่ละคนเราก็เพียงแค่รู้ทันมันก็จะกลับมานะการสร้างความรู้เหมือนแรกๆเหมือนเป็นการสร้างฐานจิตให้มัน ให้มันมีสมาธิให้มัมีให้มีความมั่นคงมากขึ้นแต่มันเป็นสมาธิแบบมีมีมีสตินําหน้านะไม่ใช่สมาธิแบบสมถะํานวนที่ที่เป็นไปเพื่อความสงบนะหรือเป็นไปเพื่อความไม่รู้ตัวนะทำไปดื่มดํากับความสงบความความสบายอย่างเดียวนะแต่ของเราสมาธิของเรานี่มันมีสตินําหน้า มีความมั่นคงที่มีตัวรู้เป็นตัวนำหน้านะมันรู้เนื้อรู้ตัวนะรู้ว่ารู้คือรู้ว่าสิ่งในกายกำลังทำอะไรหรือว่าใจมีอาการอย่างไรนะี่ก็คือมันมีความรู้ตัวอยู่ในนั้นอันนี้เป็นเป็นสมาธิที่มีสตินำหน้านะเป็นสัมมาสมาธนะิมีสัมมาสติประกอบด้วยนะมันรู้แบบเนี้ต่อไปมันก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นพอ มันเห็นอาการของกิเลสหรืออาการของความคิดเกิดขึ้นมาเรารู้ทันนะเห็นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่เห็นความดับไปของอะไรก็ได้นะจะเป็นความโกรธก็ได้ความรักก็ได้ความชังก็ได้หรือความหรือบางครั้งมันแค่มันไม่ทันพูดว่าเป็นอะไรมันแค่รู้สึกว่าใจมันไหวอ่เช่นตาเห็นรูปไม่ทัน ไม่ทันจะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบแต่มันรู้แล้วว่าตาไหลไปไปมองไปมองสักอย่างหนึ่งนะหรือเมื่อกี้หูได้ยินเสียงอะไรเกิดขึ้นนะไม่ทันจะเป็นความคิดแต่รู้แล้วว่ามันมันดูดเสียงภายนอกมันดูดมันดูดใจไปแล้วนะนอหรือบางทีเรากินอะไรก็จะแต่บางทีมันก็มันไม่ใช่แค่รู้สักแต่ว่ารู้แต่ก็จะปรุงแต่งชอบชังต่อไป บางครั้งมันก็ปรุงแต่งเป็นความเป็นคำพูดมีสัญญามีอาการความรู้สึกรสชาติแต่บางครั้งมันก็แค่รู้สึกว่ามันไหลมันไหวไปมันกระพิบกระพิบนะเหมือนกับมือนคล้ายไฟกระพิบเหมือนหิ่งห้อยนะถ้าเราเห็นหิ่งห้อยมันกระพิบกระพริบจิตจิตบางทีถ้าสติมันเร็วมันจะเห็นจิตมันมันจะพริบมันมันสั่นไหว คล้ายๆเหมือนกับบางทีถ้าเราสติดีเนี่ยร่างกายแม้เรานั่งนิ่งๆ น, นะมันก็จะรู้สึกความความไหวของร่างกายเราพยายามนั่งนิ่งที่สุดลวแต่มันก็ยังมีความกระเพื่อมของของหน้าอกมีความรู้สึกถึงที่ผิวหนังมีความรู้สึกถึง ก, การนั่งที่ที่ขาสัมผัสกับพื้นหมือนั้นะมันมีของมันอยู่แล้วนะอันนี้คือถ้าจิตเราเรานิ่งเรามีสติดีมันจะมันจะเห็นว่า แม้อาการที่ไหวไปเล็กน้อยนี่ก็คืออาการที่จิตมันเคลียร์ความด ป, ปกติไปนะแต่นี้คือก็แล้วแต่บางครั้งเราก็เห็นตอนที่มันยากบางครั้งก็เห็นตอนที่มันละเอียดนะมันก็ไม่เป็นไรนะเราก็เรียนรู้ดูมันไปนี่แหละนะดูลงไปให้เห็นนะอาการเกิดอาการดับเนะี่ยถ้าเราเห็นอาการเกิดอาการดับของของรูปก็ดีหรือว่าของที่เป็นน้ำก็ดีเนะี่ยมันมันจะคลายความคลายความ อความเห็นคิดเนะี่ยที่จริงมันคลายความเห็นคิดก่อนว่าอตอนแรกเราคิดว่าทุกอย่างมันมันจะเที่ยงแท้แน่นอนนะตอนที่เราอยู่กับมันเนี่ยเราเราจมกับความทุกข์เราจมกับความสุขนี่เราคิดว่ามันคงอยู่ต่อไปอีกนานแต่พออาการต่างๆมัาแสดงความไม่เที่ยงเห็นเนี่ยมันก็มันก็คลายไปอ่นะียดูดูไปแบบนั้นนะแต่นี้พูดให้ฟังหรือว่านะพวกเราได้ยินอยู่นะก็ไม่ใช่ เอาเก็บไปคิดนะแต่แต่เอาไว้ให้จิตมันมันจําตัวนี้ไว้ก่อนจิตมันจําตัวนี้ไว้ก่อนเมื่อจิตมันเจอสภาวะมันจะเกิดความเข้าใจของมันเองนะบางครั้งก็มกีมันก็ต้องมีสัญญานํานะมีความมีความรู้ในทางในการเข้าใจนะเดี๋ยวบางทีคิดได้เป็นตัวนําก่อนนะเพราะบางทีบางทีเราทําไปแล้วบางทีมันก็เผลอไปตื้อ ทำไปแล้วก็อทำไมมันเฉยๆเหลือเกินหรือทําไปทำไมมันมันด้านๆไม่ค่อยข้่องตัวเหลือเกินบางทีเราก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นตัวฉุดให้มันดึงขึ้นมาบ้างนะาบางทีมันส ม, มาธิมันมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยอยากจะอยากจะไปเดินปัญญาก็มีอันนี้เราก็ต้องดูของเราเองนะบางทีนักปฏิบัติเหียนลายคนบางที ตั้งใจปฏิบัติมากขยันมากแต่บางทีมันก็อมันแบบมันเอือเ่อยเฉยเกินไปไม่คล่องตัวนะไม่ฉับไวเราก็ต้องเติมปัญญาตัวนี้เข้าไปนะให้เห็นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่แน่นอนนะเห็นความบางังคับบัญชาไม่ได้ของของรูปของนาตัวนี้ให้มันกระจับกระเฉงขึ้นนะมันจะปลุกตัวนี้ปลุกปลุกธาตุรู้ขึ้นมาเรื่อย หลวงพ่อเทียนท่านเน้นการเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาตรงนี้แหละท่านไม่อยากให้เราเอาแค่ความสงบแม้แต่ยกมือสร้งจังหวะบางทีมันก็สงบนะอืแม้แต่ยกมือตั้งจังหวะบางทีมันก็มีความสุขนะออท่านไม่ให้เราไปเอาตรงนั้นอืแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ไม่ปฏิเสธอรอกแต่ก็เกิดมันรู้แล้วก็วางมันไปนะบางทีตรเนี้ยเราก็ต้องอย่าไปดิ่งอย่าไปดิ่งกับความ สบายอย่าไปดิ่งกับความสงบนะหรือแม้แต่อย่าไปดิ่งอยากจะรู้ให้มันชัดชัดอถือว่าอยากจะไปประคองจิตให้มันเฉยเฉยประคองจิตให้เป็นปกลา ง, ลางประคองจิตให้เป็น ป, ปกตินะมันเป็นอาการเผลอเหมือนกันเผลอไปประคองจิตคล้านยะๆเหมือนเหมือนเราถือของไว้ตัวอย่างเนี้ยแล้วก็เราก็ประคองกลัวมันจะตกกลัวมันจะหลน่นนะเรา แรกก็ไม่เมื่อยนะแต่ถือไปนานๆไม่แต่กระดาษแผ่นเดียวถ้าเราต้องประคองตลอดเนี่ยมันก็เมื่อยนะอืจิตถ้าเราปลอยแต่ประคองให้มันให้มันรู้อย่างเดียวประคองให้มันสงบอย่างเดียวเนี่ยมันจะเมื่อยเราเราต้องดูตรงนี้เนาะเอเราปฏิบัติทำไม่ว่าจะทําที่นี่หรือว่าทําที่ไหนก็พยายามดูดูพวกนี้เข้าไปด้วยนะแต่ก็ อย่าไปคิดรู้นะให้ให้ความรู้นี่เป็นแค่ตัวนำํำเฉยๆก็นะรู้สึกตัวไปเรื่อยนี่แหละแต่จิตมันไปเจะเอของมันเองนะมันไปเข้าใจของมันเองนะมันจะเกิดความเข้าใจนะตอนนี้เองเราก็ต้องทำแบบอย่าไปอยากอย่าอย่าไปอยากรู้แต่ให้ความรู้เป็นตัวนําไว้เฉยๆเหมือนคล้ายๆเหมือนล่องน้ําอ่ำฝนมันยังไม่ตกนะเราต้องทําล่องไปก่อนเมื่อฝนมันตกมามันจะไหลไปตามร่องนะ ถ้าฝนตกแล้วไปทําร่องเนี่ยมันน้ํามันกระจายกระจายนอะมันมันไปละเราก็เปรียบฝนมันก็ยากนะฝนก่อนจะตกเราต้องทําร่องระบายน้ําไว้นะปัญญาแม้มันยังไม่เกิดเราก็ต้องนําทางให้มันไปก่อนนะนะแต่ก็ทําแบบซื่อๆนี่แหละไปเรื่อยๆเนาะก็ก็ปากไว้อน่ะพระพร้อมกันเะนาะนะ